พระในวัดท้อาามีเท่าไไว้ช่วงนี้ไว้พระ ย, พยี่ปะกู้บาหลายไปช่วงนี้ไปทางนอกก็ไม่บวหลายก็ดีขึ้นกันน่บวอืดอาดของแขวอยู่ก็อยูน่อยหน่อยก็ดีอีกแบบนึงขั้นยู่หลายก็ดีอีกแบบนึงสรุปแล้ว ก, ก็คือ หลายก็ให้หลายดีหน่อยก็ให้หน่อยดีขั้นหลายบูดีหน่อยก็บูดีแนวหน่อยก็บูดีกับก็มี่หลายบูดีก็มี่อย่าว่าหมากกักขีควายหลายกี่สร้างปัญหาขีสร้างผมใช้ใช้ผู้อยูไ่ได้ลรอปั๊บมีประโยชน์อยู่ห <laughs> ม<า>กัก <laughs> มากขี่โลกบวกขีโกดบวกขี้หลงบ่กเอออดันบอดีแด่แดดมากขี่โลคขี่โกดขี่หลงนี่แต่ขี่ขี่สร้างขี่มาขี่ง่วขี่ควายขี่หมกขี่ไก่ยังใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยใส่พักใส่ยางใดเขาบ่กได้ขี่โกดนะเวรได้กระบอยากไปไกลกันโปรได้ขี่โรคกอนเห็นไจไม่แต่อยากได้ไปก็ะโบอยากใครไปไกลกันหลงนาลืมหลัง โบกจับหัวเจ้าของว่าเป็นไผ่ไผก็บรอยางไปใกล้ขึ้กันอันนั้นมันหลายก็ะโบดีหน่อยก็ะโบดีหน่อยยังไข่อ ย, ยู่หลายกร้บโบดีพระนาแลงก็ธรรมดาแต่ว่าตามไม่จริงวัดเท่าเป็นวัดไงกุติเสนาสนะขั้นพระหน่อยก็ดูแลยากจุดขึ้นกันแต่ว่าขั้น มันหน่อยมันก็อยู่แบบหน่อยขึ้นนะวะอยู่แบบง่ายๆขั้นวายอยู่เพียงพ่อนี่ยวัดของเฮ้าเนี่ยขันหัวต่ํากว่าสิบพาองเนี่ยรู้สึกว่าจะดูแลยากอ่ะกระดนสิบพาองคหนี่งก็ย่งพ่อไหวอยู่เรียกว่ายี่สิบพาถึงสามสิบนี่ยอันนี้แปลว่าฟุ่งเฟื่อยไปขั้นสิบองค์หนึ่ง เบิ่งหน้ากันหมอกแมกมองแมกนะวัดมันกว้างแต่ว่าถึงอย่างนี้ก็ต้องถิ่มถิ่มไปก้อนพต้องนักใจเพราะว่าวัดกองเฮ้านี่ยางเป็นกิโลเนยนางไปหากุฏิเพราะนั้นเ่าต้องปัดกวาดปัดเป็นช่วงช่วงช่วงในปัดได้กับปัดผมไม่ใช่ปัดเติดเปิดเปล่งจนมัดกูมือกับบได้ิีบปัดเลย กระ บ, บอได้แบ่งเป็นช่วงๆมือหนึ่งช่วงนึ่ง เ, เอาจากโค้งนั้นไปหาโค้งนั้นพ่อโค้งนั้นไปหาโค้งนั้นพ่อแต่มันกระปัดง่ายแต่จะเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่รุ่นกร น, นเพล น, น, นอู้ปัดตาดช่วยจีไปได้ขูมืดก็มีแต่ถนนเท่ข้นกรีดปัดง่ายๆท่ า, ทากระ บ, บอกกว้าง แล้วก็แต่ว่าคอนกรีดกองลงพอก็บกมันสิเท่แบบห้รถใหญ่ลถหยั่งแรนได้เพียงแต่ให้พระยางได้ไตได้บ่ห้มันลื่นเวลากลับที่พักคณะว่าตะกรอนนานา น, านี่มันมองได้จี น, นันนๆน้ำเป็นหอมเป็นโศกลงไปเวลาพระกลับไประ่าพระลงมากอยอะเหมือเศร้า เ, เวลาฝนตกนี่เมิน หกล้มบา ง, งองค์ ม, มัได้มาสานหอดเข่าก็บมีดเลยยางออกมากมันล้มมันออกไปเปียกมัดผ้าใบาทกลับพอมันมึนหลวงพ่อก็เห็นว่าเออมันวัดของเฮ้ามันไก่ทุนก็พ่อเป็นพ่อปลายใดหลวงพ่อก็เลยเทเป็นค้อกรีตแล้วก็เทเป็นตุมต่มๆน้ำๆทั้งกลางให้พระมาบ่อยมันมึนหนาฝนเพะหนาฝนมันอยู่ใน ป้าเนี่ยหลมามันขี่ตะไครเขียวปุดได้ยางบมไรได้คนกรีดเนี่ยแห้งหายมันลมมันเด้ยวขาหักแขนหักเลยล่ะหัวนกพื้นนะเนี่ยในวัดของเฮ้าเตียงพอหลวงพ่อก็ได้คิดไว้โมมีได้ถนนที่จะมีขี่หินโพทั้งกลางอ่าผู้ว่านองค่ายผลมายางมันมาเห็น เอที่เป็นหินตุ่มๆขึ้นตรงกลางเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยพูดไดพูน่ะขนาดเปินเป็นผู้ว่านึงสูตรเข้าอยู่ในป่าในหลวงบ่านนไรได้ธรรมชาติสอนได้เห้าเห้าบอกว่าเนี่ยคันว่นนาฝนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตะค่ายจับต้องเทหินให้มันโพโพขึ้นมาตรงกลาง ยี่สิบสามสิบเส้นสําหรับไปค้นเดินแต่ว่านานแรกในคนก็นจะเดินบ่จากเดินอกพรผมันคู่คะแต่พอตกหนาฝนบ่อจากเดินก็ต้องเดินเพราะมันเมือ่อยในมองอื่นย่งางบ่อใดนี่แหละอันนี้ทีวัดของเฮ า, าเฮาเฮติงสันสําหรับพระพวกผู้เฒ่าผู้แก่พวกพระทั้งหลายถนนทุนทางสรุปแล้วก็คือสัปปายะ พ่อสมพวนตีบัดของเข้าสําหรับปู่ที่จะพ่อวานาเต๋เสวะสะแสแหวงหาความสงบเนี่ยเวียนวายแต่ปู่หาวีบุญกันปู่หาวีเวกเนี่ยสันจังหันแล้วนุมเข่าไปเลยกุฏิหลังใดตีมันห่างๆตีบวยเห็นหนาผูดด้ใดก็ได้บดิยัได้หินเสียงผูดด้ใดก็ได้มีกุฏิห่านหน่อยไปลบนางพ่วานาอยู่ เรต้องมาฉันนนำก็ได้มือเว้นมือนำปาณะมีอยังกับข่อยชั้นมือบางมือก็จะงดยภาวน่านังชั้นแหละมีมือนักมือเบาในการภาวน่าบางแม่ที่มือได้ก็คือเก้ามือได้คือเก้าขบวดได้หลวงปู่แหวนหลวงพ่อไปอยู่น้ําเพลินพ่อยชั้นจะหันแล้วเพนก็ขึ้นไปห้องพราะยามืนมขึ้นเห น, นือพลบดัง โดยมักพ่นบอนอนเลยแปลกเลยวันลงปูแหวนนี่มีกระตูปกระตูปติดดินมันออกไปคือกระตูปแมวเนี่ยพันไปอยู่์ไก่แมวไก่กรเลียงมั้งพันกระเลี้ยนวิชากับเขาเอาผาตุหลังค้าตุ่มลงไปในดินมีป่ตาตำตำเนี่ยมแล้วก็ทางนั้นทางในกระตูปนะ่ะมีเต่าไฟเด๊มีท่อนไหม่มีท่อนฟื้นดังไฟสมุมเงิน โหยยุ่งมันจะเข่าได้จางไหนมันควันมันอู่อยู่ฮะแต่เข้าเข่าไปก็เข้าเนื้หันใจฝืดมาแล้วแต่ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ได้ไหมหลวงปู่ชอบก็อยู่ทังสันละหลวงปู่ชอบก็ชอบอยู่เป็นนั่นละหลวงปู่แหวนก็อยู่ขึ้นกันอยู่กระตูปแล้วมองกระตูปมีอยู่อันเตียงน่อยติดกับดินงูเข่าได้ป้งงูมันก็ถ้ามันจะเข่าก็เข่าได้แต่มันก็มีฝา ติดกับดินฝาสานยางดีกว่านะนีอ่อมีแต่ประตูเขาเท่านะอะไรก็มีเตียงขึ้นมาโพขึ้นมาประมาณสักบอถึงสอกหลวงพอว่านขะึ้นมาจากดินเนีเ่นก็บดดินนะวะดินมีบดให้มันแน่นแล้วก็เอาไม้โพขึ้นมา เ, เตียง่นกันประมาณสักสามสอกเนี่ย น, นะความยาวนะ หลัสงสอบขกว่าแล้วก็กว้างคือบ้านสักสองสอบแล้วก็มีผาพิงอย่างตีหลวงพอนั่งอยู่เนี่ยเนีะยมมือแลงเนียมาตอนบายมาหลวงพ่อก็ไปจัดจัดอาสนะที่นางจัดอาสนะที่นางไปแล้วก็มีกระโถนไบหนึงมีแก้วน้ามีกานาํป๋าเ น, นี่ยมือแลงมาเนี่พ่อเข้าไปแล้วพนเดินยังกลมแล้วเพอนก็เข้าไปเข่าไปหมองนางเพอนะปิดประตูเยี่บ ม, มีมีหม่องนอนดเด้ในกระตูปนั่นในกระตูป ม, มีหม่องนอนดเด้มีแต่หม่องนางหม่องนางของพอ น, นนะแล้วก็มีผ่าคล้องมีผ่าไตรผีมีผ่าคล้องผ่าไตราสามผืนไว้ข้างๆแล้วก็มีผ่าผ้าอาบนา้ำผ้าอาบนา้ําผ่าไรบ้านเท่านี้นยิบหนาๆอันยิบผืนใหญ่ๆไอ้คำว่าผ่าอาบน้ําเท่านีน้ยิบติดกันเข้าไป จะว่าห่มก็ได้สีตุ่มก็ได้การพับเครื่องก็ได้ตุ่มนะการจะเอาปืนใหญ่นี่ก็ห่มสำหรับปกแขงปกขาบาทอะไรเข้าไปเม่นเอาพานะ่ตุ่มแล้วก็นั่งกูู้ซ่เข้าชงซองบนน่ะไปไฟเป็นก็นเผาไว้พอดนาเน่พ่อลบรับไฟควันอยทุยทอยู่เนะเอาเพืนก็ น, นั่งเข้าถามเพะนะื่อนมาหลวงปู่ ลงปูบอนนั่นเถอะเขาหน่อยไปลงปูบอนนันเถอะเขาหน่อยแย่เหมือนขึ้นอั่น อ, นอยังนอนอยู่ในภพในศาสตร์มัน จ, จักภพชักศาสตร์เลยมานั่นอยู่างจะไปหานอนอย่างอีก่นวาลงปูแหวนนอนอยู่ในภพในศาในในตรในเนวตาสงสารเนี่ยมันจะกี่ภพกี่ชาติ์เลยมันจะไปหานอนอย่างอีกก็สันได้อมันอยาก น, นั่นไงมันลน่อมเลยมันก็นอนตัว ไปหาหมองนอเนี่ยไ่ยากยั้งสีนปวนว่าลมมันเสยมันก็ับตัวมันทีรับเสีงกันบวลับก็จะให้มันรับแม้วสนไปหานอนอย่างอีก็สียนอ๋บางหน่มิแต่หม่องนั่งบางนอาสนะนนอนปอบยมือเศ้าหลวงพ่อก็เข้าไปลยตีสีว่าตีสีที่หานเข้าไปไปก็โถนออกมาล่างบางที่มันก็สูบยายาขี่โยเมื่งเชี่ยงมาอยู่เป็นยาใบตองกล้วย เวลาดังมื่อแล้วก็มาสูบยาอลูกนักก็นั่งต่ออีกพอยังเหมือเศร้าหลวงพ่อก็ไปเอาพวกผ่าพวกยังออกมากระโถนล่างเอาน้ำออกมาเปิ้นกับลุกออกมาจะบอกล่างหนาล่างตาเที่เดินจึงโกลมด้วยเนี้ยบ่ได้เดินจึกลมเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาอยู่เจ็ดสิบกว่าเด้ดหงพอไปมาแนวกด พอเดินังโงมแล้วผกหลวงพ่อในตื่นใต่นตีสีได้เป็นเน้นเป็นคู่บาโน่ลงไปต้มน้าพอต้อมน้ำใส่กระติกใส่กรติกแล้วก็ต้มน้าไปล่างนาไปถวายหลวงปู่แหวนพร้อมหลวงปู่หนูพร้อมใส่ไปผ ส, สมน้ำอุ่นถวายเพล่นเพล่ น, พนก็นลา่างนาล่างนาเสร็จเรียบร้อยเขากัเอาออของบาทมาาลาพ่อบาทมาชล า, าปัดใส่ล า, าเอาถวยช่ำ เตี้ยไว้พ่พ้อมเ็กลงปัดกวาดเนลงปาตัดนเหมือเสาโอ้ตาไม่จริงพระสององค์ว่าหน้าจะปัดลายขนาดนั้นมันลงพอวะอันนี้ลงปูหนูเน้ขยันเนีเพินเฮ็ดยังไงเขาก็ต้องเฮ็ดทั้งสันแลเพราะเาเป็นวัดเพินเนปัดตาทั้งแต่เศร้าคุณแล้วเจ็ดมองกว่าไปบิทบาทนลงปูแหวนเี่เดินโยกลมยิ่งันละพเอาเพิ่ม่เพิ่มบ่เดินยกลมเจงอิรี พวกเข้าไปบินทบาติพุ่นล่ลงบันบันแม่ปังไอ้ทยบาท้านเนี่ยเวลาบินทบาตก็าบอกขึ้เฮาเลยเวลาบินธบาตเนี่เฮาเน่ ย, ยางยางยางไปโดดได้้าวบ้านชาบาตก็มายืนมายืนเฮี้ยงกันอย่างที่พวกเข้าเห็นนะแต่ไทยเมื่อเชียงใหม่พอเป็นจุนทันแต่บา้านเขาสะอาดเลยบพมีขยะเพราะมียางสะอาดมีหัวแล้วก็มีปัดกวาดทำความสะอาดอย่างมือสองเขาสีสน้ำ บ่ให้กี่ฝนมีในบริเวณบ้านของเขาพอไปหอดแล้วไปยืนได้ไปวินเทอรบาดเมืองเชียงใหม่นี่แหะ้าบ่มากหลายวันออไปพี่น้องที่เชียงใหม่ไม่หูหูแถวนี่ยห้าบ่มักห้องบ่มักไปหอดหลังไปหอดแจ๊คเขาเสียหายบ่อให้ไปยืะเงินอะไนอไปเออสามสี่องค์ก็ไปยืนนี่หันหลับไปแจสคเขาเสียห้ยบ่อให้ไปมิดติ่งติงอยู่นในบ้านเขาบ้านไหหลวงปู่หนูมัคนใจหอดได้เป็นบ่นะบ่เนี่ย ปูเถ่าเคยอยู่กันอพอไปหอดพ่อยืนคือบ้านหละหลวงปูหนูถุยแจ็กมันเป็นไอพ่อเป็นไอก็ะแหวมู่ไปจนหอดต้นหอดไปหอดบ้านไอ้ก็แอวมบ้านนั่นไปพอไปออดเอาบ้านเขาก็มาเอาเขามากแล้วก็ถวยมากบ้านก็มีเด็กหน่อยน้ำคนที่บ้านแม่ปางนะันมีเด็กนอนคนสองบักมีเป็นตัวสองเถ่า พ่อมาเด็กหน่อยเขาก็เขาก็เปิดปิ้นโตมาแล้วเขาก็อาหารอยู่ในถ้วยเขาก็เทลงเท่ใส่ปิ้นโตเขาบดใส่ใส่มกใส่ห่อได้เท่ใส่ปิ้นโตหวานเขาก็ใส่หวานแกงขีเล็กใส่แกงขีเล็กแกงบอนกับแกงขีเล็กก็ใส่กันมาลไปเนีหวานก็ใส่เทเทเทเท่ใสปิ้นโตปิ้นโตเด็กหน่อยถือพุทะสองปิ้นโตก็ไม่พุทธปิ้นโตก็ไม่ พอไปหอดเขาก็พกขนมพวกน่ะเขาก็ใส่บาทหลวงพ่อก็เดินตามหลังลงปูนูนะวะสององค์ไปหอดบานไ ด, ได้ก็แหวมบานนั่นมานไปแหวมให้เขามาใส่บาทรมานไปค้ามไปห้องก่อนมันมาใส่บาตรเนะขอขงวสันนะวาก็นไปป้กัญจีบอกทุงสันกัญโพดไปวะีแต่แกเอ้าเอ้ามาหนอไปเขาคนเด็ยินเสียงลงปูนูแอมเขาก็มาใส่บาตรพ่อมาใส่บาท เด็กน่อยกันเด็กหน่อยไม่ใส่บาทพราะใส่ปับ๊บเขาก็ะยืนประนมมืดเด้เด็กหน่อยผู้ชายเด็กน้อยผู้หญิงไสาบาทแล้วเขากระยวบลุงปูนหนูก็ให้พ่อนเอเท่าก็จําได้เลยลุงปูนหนูห้พ่อนว่าจะไหนะไลุงปูหนูให้พ่อนว่า ป, วปันใหญ่ปันสูงปันหูปันลักหายมีอายุวันณะสุขะพาละเนอะย่างไปนคนเราไปห้เฝ้าใหญ่เฝ้าสูงคนเราปันใหญ่ปันสูงนคนไปเออ ปันหูปันลักก็ให้ให้หูให้ฉลาดมันเอาให้ให้มีจติปัญญาให้เฉลียวฉลาดมันเอาไปปันใหญ่ปัญสูงปัญหูปันลักษให้มีอายุวรณะสุขภาละแล้วก็เดินไปไฟหอดก็จะมาใส่บาเดี๋เอาแล้วปันใหญ่ปัญสูงปัญหูปันลักจนอ้อมบ้านนี่แหละแต่เห็นบ้านเขาในสะอาดสะอาดก็บ้านอีสานเห่า บาดในสานเท่าเจ้าแม่ยังทุงพระตะกอกทุงพระเจดีย์ยังคอนใหม่ท่อนพื้นขี่มูหมากีกากี่ไก่แต่ของเขาเนี่ปัดกวาดทาความสะอาดเนี่ยนาบ้านสะอาดสีดนามใสอใบไหม่บนมีดหรอกนี่อันนี้คือเมืองเชียงใหม่ที่หลวงพ่อไปอยู่เนะี่ยลับขึ้นมา ก, กันหลับบาดลงปูหนูหลวงพอ่อเป็นกระยางคือม้นํากันมาหอดกัวางเสร็จเลยบอนเล็กน้อยกั เอปินโตออกมาเกะเท่เสีหมอเท่เสีหมออันไหนเป็นตะร่วมเสี ก, กันตะล่วมเสี ก, กันอันไหนเป็นข้องหวานกับไซวานพ่อร่วมเสี ก, กันไปแกงบัตรทั้งเชียงใหม่เขาว่าแกงโหเอาไปบัตรเพราะว่าแกงร่วมเนเราไปอุ่นไม่มาที่ันาเท่ากับไปอุ่นไม่ซะ ก, ก่อนอุนอาหารไม่จากนั้นก็ออกมาฉั้นให้สินให้พ่อนแต่แห่พอนเป็นพ่อ น, ปอนแปร้อมได้คนแปรยะท้าวารีวาห์ แม่น้ำไม่ยังเพิกกว่าไปแล้วหลวงพ่อจําอะไดรหรอกมันอพอฉันยังหันแล้วหลวงพ่อเกือกกลับจัดที่พักของหลวงปูแหวนอผลก็ขึ้นไปพักบ้านเนี่ยขังเว้นทั้งพ่อฉันยังหันแล้วขึ้นไปพักได้ผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบกว่าเลยขึ้นไปพักเป็นนอนพักเงียบไปส่งไ ป, ปิผนเรียบร้อยแล้ะหลวงพ่อกลับลงมากแบบบางทีบางท่านก็เดินยังโกรมนั่งพวาวนาอะไรบ้างโอ้อิสระ ปู่จักกระไพรโ ย, ยหานนไ์ไปไก่พี่ไก่น้องไก่บานไกเ่เฮือนไปอยู่ทั้งเมืองเชีงยงใหม่พ่อวนาดีอีกต่างหากอากาศดีวัดลอยแม่ปังเนี่ยวะหนีจากบ้านหนีจากว้งสาคนายาดบู่จักไผ่นี่ดีนะพ่อพระพุทธเจ้าคนยังหนีจากกู้เวียงจากว่างไปอยู่ตามน้ำพังนะบู่จักไผ่เนี่ยพิ่นไปพาอวนาอันนี้เข้าไปอยู่พ่อวนาอยู่เมืองเชีงยงใหม่ข้านะีโอ้ดีเพราะตอนบวะเนี่ยเพราะตอนใบหลวงปู่แหวนนี่ พอตื่นขึ้นมาผู้เฒ่าพักพรพ่อสงขนะ่วนได้ยาขี่โยกกำหนึ่งสามสี่หามวนแล้วก็มีคบคบเพื่อผ่าอับหน้านะมันขาดผ่าจีวรมันขาดแล้วมาฟันฝันให้มันเป็นสองเกี่ยวเน่าประมาณสักศองหนึ่งนะแล้วก็มีผ่า อ, อับหน้าพื้นหนึ่งปกหัวไปไปหากุฏิน่อยอย่างที่หลวงพอบอกพระให้ไปพ่อวนานะอยู่กุฏีหลงังใดว่างอยู่ตามลาพังห่างๆไกล มาก็เอาผ้าอับหน้าปัดขี่พุนปดปดปดปลายใ ป, า ย, ปายมากมาแล้วก็เอาผ้าอับข้มามผาพืนนน่ะนะปูนั่งพื้นไปก็นั่งพ่อนั่งเสร็จเร็วเลยก็เอาคุบที่ว่านะ่ะที่ผ้าขาดน่ะนะเอามาจุดป่ะเนะี่ยมาจุดแล้วไงมันไฟมันเกิดทุยทุยมันเกิดฟันมันไปไหลพวกหินพวกยุงอันไปบห้ยุงหินเขามาไก บัดเลยก็น <würden ancia mentor ísimo> ั <Sur> um> ่งพาอวนาข้อขดตัวงอโอ้นางโดดเด้เนี่ยพรอได้ยุงกะไพเอาหน่อยนางพ่อวนาพ่อเซ็จแล่าบัดบสามใบาี่ผวกเข้าก็ลร่งปัดกาดแล้วพันกับม้าเป็นไปนางพาอวนาแลยพ่อมาหอดพ่อมาชันน้ำพ่อนั่งชันน้ำเหล้าบัดเนี่ยกรสงน้ใไ้เปิ่นน้ํเขาไม่ได้ต้มหรอน้ำมันน้าตากแดด พอบ่ายประมาณสักเที่ยงนี่ไปละตักเอาน้ำใส่ตักใส่กระละมั่งตากแดดไว้พอบ่ายสี่โมงน้ำเขาอุ่นนะ่ะก็ไปสงน้ำแล้วบวชให้ตม้มไปเวีนเสียถึงมือใดมันบ้นมีแดดมืดเึ้มหนาวหนาเออจึงค่อยต้มน้ำถวายคนข้ามือใดแดดนี่แต่ตักน้ำใส่กระละมัง่งตากแดดไว้นี่แหละตรงพอไปอยู่กับวัดหลวงปูแ่แหวนหตรงพอทับนาทีเน้นไป ไม่นํากันสามองค์เลยหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูหลวงปู่หนูหกสิบกว่าก็เท่าๆกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงปู่หนูแต่หลวงปู่แหวนเน่ะเจ็ดสิบกว่าแต่หลวงพ่อข้อแปดทับตัวเป็นเนตรหน่อยเลยปฏิบัติทั้งหลวงปู่แหวนพร้อมปฏิวัติหลวงปู่หนูพร้อมรับบาดรับจีบ้อนเพราะว่าเข้าเคยเป็นเนตรมาก่อนเลยเข้าหูวจักกิจวัตรข้อวัดพอะยุนหลวงปู่ลาบตั้งแปดปีเยเป็นเนตร เพราะนั้นเข้าไปใส่กับข้องเลยเรื่องกิจวัตรขอวัดปฏิอึอืดอ ด, อาดาดเลยที่อืดดาดได้เนี่ในหลวงปู่หลาโทโ่เมนทัพมด่าให้ให้พาไอเนตโมเมนทรพมดาในหลวงปู่ลาแต่ว่าสอนเก่งใ่บอกเก่งแนะน้าเก่งหลวงปู่ลาได้สติได้ปัญญานเนาะผลแต่หลวงปู่แหวนได้แนวแนวปฏิบัติอลเหตุเหตุเบิเบ่งเลยอ่ะ เพื่นเพชรยังไดกิจวัตรของเพ่นเห็นบมดเกลางคืนบนนันพวกเขาเคยลองมงบวกมันจิตลับเสรจมันก็ับตมสนอนเ่ยไปหาจัดให้มันนองในยังมันนอนอยู่ในโลกวัฏสงสารพ่อแห้งเกิดมาในโลกนอนจมนอนใจยู่เนี่ยไปหาห้มันนองใยังมันจากนองมองไดก็มันนอนต่อแปลว่าพ่อนั่งแล้วมันจากลับมันจะโง่ไปเลยก็ให้มันง่อยู่หนอเพราะันโมงโยก็นั่งลกต่ออีกนะลักษณะังสันเออหลวงปู่แหวน โอ้ไปเห็นวนะบ่มีมองนอนอีหลียังมาขึ้นแต่ย่มสันยังหันแล้วผลยังคอยพักนะเออเมื่อเนีตัวเบาแนวเป็นอยู่ของคู่บอายจานลงปูแวนตีหลวงพ่อไปอยู่ลำพันธโอ้พวกเห้าเพื่อการศึกษาเพื่อไดยินี่ในฟังนะ้ะตอนนี้ไปรับพ่อเนื้อบริเนนะ